ว, วันนี้ก็ต่อีกต่อจากเมื่อวานกําลังพูดในเรื่องของพุทธกาลกัธรรมธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือสําเร็จด้วยความเป็นพุทธานี่แหละทำทําให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าบําเพ็ญหย่อนลงมาหน่อยก็ปัจเจกะพุทธเจ้าแล้วก็ าวาุทเมื่อวานพูดในเรื่องของข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติในทานบารมีใช่ไหมก็พูดถึงในเรื่องของหลักการปฏิบัติเลยในวันนี้ก็มาขึ้นในหลักการหรือข้อปฏิบัติของศีลบารมีแพทยได้พูดถึงในเรื่องของเจตนานศีลเจตสิกศีสนสังวรศีน อ, อวิติกมศสี เจตนาศีลก็คือที่เกี่ยวกับเจตเจตจำ侬ช ง, งใจตั้งใจที่จะรักษากายกรรมวัจีกรรมอาชีพให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นต้นนะเนี่ยนะเจตสิกศีลก็เกี่ยวกับความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญากลุ่มเหล่านี้ก็สามารถมาเป็นศีลได้ตลอดถึงวิรตีด้วยความงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเหล่านี้ แล้วก็ส ม, มาชีวะก็เลี้ยงชีพสังวรก็กลุ่มพวกอินทรีย์สังวปรปาริโมกสังวรทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นศีลได้ด้วยแล้วก็อวิตริมา ก, การเมกไม่ร่วงละเมิดทีนี้ในเรื่องของศีลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องศีลพระโพธิสัตว์ที่ประสงค์จะตกแต่งสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องประดับก็คือศีลของสัพพยุจจะยานก็ชำระศีลของตนเป็นเบื้องต้นก่อน ศีลบริสุทธิ์ได้ด้วยการสี่อย่างก็คือบางคนเนี่ยมีตนเป็นใหญ่เพราะอัธยาศัยที่บริสุทธิ์มาแต่เดิมปารบตนรังเกียจบาบยังหิริคือความระอายต่อบาปให้ปรปรากฏเกิดขึ้นในภายในขันธสันดานแล้ว mm. ก็มีความประพฤติดีเสมอมาเรียกว่าศีลบริสุทธิ์โดยบริสุทธิ์ตามอัธยาศัยที่สั่งสมมาเออบางคนเป็นแบบนี้นะบางคนนี่ มีศีลมาเนี่ยโดยการปารบตนปารบปารบตนเป็นใหญ่มีอัจฉริยะสัยบริสุทธิ์มาแต่เดิมเลยเป็นคนลังเกียดบาปนะคือเห็นสิ่งโสกโปกก็ไม่อยากจะให้มาถูกตัวเราแม้ชั้นใดก็ไม่อยากให้กายกรรมวิญญกรรมและอาชีพตนเองนั้นเน่ยสกโปกเหมือนกันก็เลยมีความละอายชั่วละอายต่อบาปประกรรมนั้นมาแต่กําเนิดเป็นคนที่มีอัธยาสัยดีจิตใจงามมาแต่เดิมเลยเนี่ยมีปารบตน บางคนก็มีการสมาทานศีลถือโลกเป็นใหญ่ยังอดตปะปาคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปให้ปรากฏในภายในขันตสันดานแล้วเป็นผู้มีความประพฤติบริสุทธิ์ดีเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ได้การสมาทานอันนี้สมาทานคือการตั้งใจเลยนะปารบโลกปารบบอกว่เราจะต้องไปเดือดร้อนใช่ไหมลงอบายทุก ต, ติวิบัตินรกเราจะต้องถูกลงโทษลงทันทั้งหลายเหล่านี้เขาจะตำหนิตีติ้ตงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ปรารบบุคคลเป็นใหญ่ ด้วยอาการสองอย่างนี้มีความบริสุทธิ์ตามอัธยาศัยและการสมาทานดังกล่าวมาแล้วข้างต้นคนเหล่านั้นนะ่ะย่อมตั้งอยู่ในศีลเพราะการไม่ก้าร่วงไม่ก้าร่วมทั้งสองอย่างก็คือป่ารบตนและป่ารบโลกศีลบริสุทธิ์โดยการไม่ก้าร่วมอย่างนี้ก็แต่ว่าบางครั้งเนะ่ยหลงลืมสติไปใช่ไหมเวลารักษาศีลเนนะี่ยมีไหมแล้เผลอเลอสติแล้วล่วงระเมิดศีลของบุคคลเหล่านั้นก็จะพึ่งขาดไปโดย ไปได้บ้างแต่ก็ทําศีลที่ขาดไปนั้นเนี่ยให้เป็นปกติโดยเร็วโดวยการทําคืนนั้นคนบางคนบรูเออรตัวเองล่วงละเมิดเช่นผิดข้อใดข้อหนึ่งถ้าเป็นสมมตเน้นนนะก็รีบมาสมาทานใหม่เลยนะไม่ปล่อยแช่ไปนานเงีเ้ยรีบมาบอกมีความละอายเลยบอกกับครูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับผมล่วงละเมิดสิกขาบทข้อนี้ข้อนี้ครับเผิ่สติครับ อาจารย์ช่วยลงธน ก, กรรมพวกหน่อยครับเออหมายก็ว่าจะให้ผมทําอะไรเออมาขอแบบนี้เลยนะถ้าเป็นพระภิกษุก็รีบมาขอปรองอระบาดแสดงอบัตทันทีเลยไม่ปล่อยว่าเออเดี๋ยวชั่วโมงนึงอย่างนี้เป็นต้นรีบทันทีถ้าเป็นอบัตสังกาทิเศตก็อยู่ปริวาสกรรมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยสมาทานตั้งใจงดเว้นบริสุทธ์ด้วยด้วยความละอายด้วยความกลัวเรียกว่าศีลบริสุทธ์ด้วยการกระทํำคืน เมื่อมีการก้าวล่วงก็รีบทําคืนทันทีเลยบางแห่งถ้าเรียกว่าปฏิกรรมปฏิกรรมก็คือการทําคืนใช่ไหมหลักการปฏิกรรมก็มีอะไรบ้างอ่าปฏิปฏิกรรมก็คือทําคืนเมื่อตนเองล่วงละเมิดอ่าเขาเรียกอาปฏิปฏิกรรมก็คือการทําคืนนี่แหละเกิดการล่วงละเมิดขึ้นมาปุ๊บทาคืนทันทีเลยเขาเรียกอาปฏิปฏิกรรมก็คือการทําคืนอาบัตการแสดงอาบัติ บางแห่งไว้แปลว่าการลักบาปหรือการแก้กรรมปฏิกรรมการทําคืนการแก้กรรมเนี่ยก็คือการแก้ไขกัดกลับทําใหม่ให้มันดีขึ้นมีเป็นคําสอนสําคัญส่วนหนึ่งในการทํากรรมมีสาระสําคัญก็คือว่ายอมรับความผิดพลาดที่ได้ทําไปแล้วแล้วก็เลิกละเลิกบาปอากุศลหรือการกระทําผิดพลาดเสียหายที่เคยทํานั้นหันมาทําความดีความถูกต้องและก็ทำบุญทำกุศลเนี่ยนะ แก้ไขปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงกรรมให้เป็นกรรมดีในทางปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็ทรงนําหลักปฏิกรรมมาวางเป็นวิธีปฏิบัติทางสังคมหรือทางด้านวินัยเนี่ยขั้นพื้นฐานก็มี3ประการนะถ้าวินัยบัญญัติสําหรับสามเณรหรอสำหรับพระสงฆ์หรือสามเณรเนี่ยขลุก อ, อาปัติปฏิกรรมก็คือแปลว่าการทําคืนนบัติก็คือการที่ภิกษุหรือภิกษุณีบอกแจ้งความผิดของตนเอง เพื่อจะได้สังวรต่อไปแม้แต่แค่สงสัยเช่นถึงวันอุโบสถภิกษุรูปหนึ่งเกิดสงสัยว่าตนเองอาจจะต้องอาบัติก็บอกแจ้งแก่ภิกษุรูปหนึ่งว่าอาหารอุโศอิทันนันอิทันนามายะอาปติยาเวมติโกยถานิเพนมติโกภวิสามิตาทาตังอาปติงกริสามิเป็นต้นท่านครับผมมีความสงสัยในบาดชื่อนี้ หายสงสัยเมื่อใดจากทําคืนนาบัตินั้นเมื่อนั้นเนี่ยก็ปฏิกริษามิก็คือเป็นรูปกิริยาของปฏิกรรมลักษณะอย่างนี้พอเกิดความสงสัยขึ้นมาแมเ้เราไปทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าก็แจ้งสงสัยแล้วทำคืนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเขาจะไม่ปล่อยดื้อแพ e n g ่ยทําผิดไปแล้วก็เฉยไม่รู้กูมไม่สนใจอ ย, อย่างเงี้ยจะไม่มีจิตใจหยาบกระด้างอย่างนี้ เพราะเข้ามาเพื่อต้องการขัดเกลาร์ตัวเองแท้ๆเลยใช่ไหมต้องการจะขัดเกลาร์ตัเองอย่างนี้เป็นต้นนี่วินัยบรรยัญญัติว่าไว้เกี่ยวในเรื่องของพระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับพระสงฆ์เหมือนกันเรื่องปวารณากรรมหลังจากอยู่ตลอดพรรษาแล้วเนี่ยครบพรรษาปุ๊บเขาจะโปลานาซึ่งกันเลยเช่นสังคัปันเตปวาเรเมิทิเถนะวาสุเตนะวาปริสังกายวาวัฏโนมังอายสัมมันโตอนุกัมปัง ปฏิกริสสามีเป็นต้นเนี่ยปัดสันตอปฏิกริสสามีเนี่ยจะบอกว่าเธอทั้งหลายจะแปลกมาฉันขอภารณาต่อสงฆ์ด้วยสงฆ์ได้เห็นก็ดีได้ฟังมาก็ดีด้วยสงสัยก็ดีพอเธอทั้งหลายจงอาศัยความการุณนะกรุณาว่ากล่าวฉันฉันเห็นแล้วจะทําคืนคือปฏิกริสสามีนี่แหละก็คือถ้าฉันเห็น ปวราณาต่อสง์เลยให้สงว่ากล่าวได้ตักเตือนได้เออการว่ากล่าวการตักเตือนกันเนี่ยกับดีใจเนี่ยเขาปวราณากันพระเถระปวรณาก่อนเลยเนอะปวราณาก่อนว่าเออเนี่ยท่านได้เห็นก็ดีได้ยินมาก็ดีหรือเกิดเคลือบคลงสงเคลือบแคงสงสัยก็ดีในพฤติกรรมของกับผมว่างั้นน่ะขอสง์เนี่ยโปรดอาศัยความกรุณาเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนอย่า ง, างเมื่อฉันเห็นแล้วฉันจะทําคืน เนี่ยอย่างนี้เป็นตน้นเออถ้ามนุษย์อยู่ด้วยกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะอยู่กันอย่างผาสุกไหมก็คือยอมรับการตักเตือนด้วยความดีงามได้จิตใจที่ดีพอมีใครมาเตือนปุ๊บโอ้ดีใจเลยบางคนีะเตือนไม่ได้เลยนะเป็นงูพิษเลยถูกนิดหน่อยไว้ได้ชูคอจะฉกอยู่เรื่อยเลยเป็นเหมือนแมลงป่องชูกล้ามขาอย่างเงี้ยห้าม นักบวชห้ามเป็นอย่างนั้นนักบวชเป็นผู้สงบสงเยี่ยมเยี่ยมตนเนี่ยนะที่นี่ม<ะ>ีไมมีต้องมีที่ไหนทุกที่ต้องเป็นอย่างนั้นหมดประการที่สามอริยวินัยก็คือสำหรับทั้งพระสงฆ์และครือขัดเรื่องอริยเทศนาคือการแสดงความยอมรับหรือการสำนึกผิดในการที่ตนทำผิดละเมิดหรือล่วงเกินผู้อื่น และมาบอกขอให้ผู้อื่นนั้นยอมรับความสำนึกของตนเพื่อที่ตนจะได้สํารวมระวังต่อไปดังเช่นในกรณีที่นายขมังธนูที่รับจ้างมาเพื่อสังหารพระพุทธเจ้าใช่ไหมนายขมังธนูเนี่ยรับจ้างมานะเพื่อจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าต้องการจะไปสังหารพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถทับได้แล้วต่อมาก็มากราบทูลขอสํานึกผิดกับพระพุทธเจ้า แล้วพระรัชกาลเลยบอกว่ายะโตจะโขตวังอาวุโสอจจะยังอจยะโตทิศวายาถาธรรมังปฏิกรโรติปฏิกัสนาตันเตมยังปฏิคันหามะวุฒวุตฒิเหสสาวุโสอริยสะวินัเยโยอัจจะยังอจยะโตทิศวายาถาธรรมังปฏิกริกโรติอาญติงสังวรังอาปัจฉติก็บอกก็เพราะการที่เธอ มองเห็นโทษโดยความเป็นโทษพระริจ้าบอกว่าเมื่อเธอเนี่ยเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรมะเราจึงยอมรับโทษนั้นของเธอการที่ผู้ใดเนี่ยเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําทําคืนตามธรรมะถึงความทั้งวอนต่อไปเนี่ยนี่เป็นความเจริญงอกงามในวินัยของอริยชนนะนี่เป็นความเจริญงอกตามแบบอย่างของอริยชนเขาถึงนี้เป็นต้นเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ก็คือการทําคืน บางทีเราก็บอกว่าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งโทษลงเกินนั้นเพื่อการสรํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปเคได้ยินคำนี้ใช่ไหมเราสวดมนต์ธรรวัดกันก็จะมีคํานี้แหละอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราขออดโทษสิ่งที่เราได้ทําผิดพลาดไปในแต่ละวันแต่ละวันชาวพุทธก็ไม่ประมาท ก, ก็สังวรระวังกันอย่างนี้ตลอดเลย มันเผลอสติกันอยู่เรื่อยก็เลยต้องขอเข้ามากันทุกวันขออดโทษทุกวันเลยขอต่อพาราธนาไตรเช่นว่าเป็นเ อ, อเป็นลูกปฏิบัติผิดต่อพ่อเป็นพ่อปฏิบัติผิดต่อลูกเป็นแม่ปฏิบัติผิดต่อลูกลูกปฏิบัติผิดต่อพ่อแม่ทั้งหลายเหล่า น, นี้เป็นต้นสามีภรรยาปฏิบัติผิดต่อกันเสร็จกับอาจารย์ปฏิบัติผิดต่อกันก็ชื่อปฏิบัติผิดต่อพระธรรมนะเป็นการปฏิบัติผิดต่อพระธรรมวินัยนั่นเองนี่ถ้าเข้าใจงี้จะก็ชัดเลยอย่างเนี้ย พอมองเห็นนะอันนี้ด้านศีลเป็นลักษณะแบบนี้เพราะบริษัทท่านก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าทาปุ๊บท่านจะจะรีบทำคืนทันทีเนะี่ยทคืนทีนี้ผู้สองส่วนมีการไม่กล้าร่วงถ้าจำแนกแล้วมีสองประเภทในศะีลเนี่ยหนึ่งวาิตศีลว่าด้วยข้อห้ามต่างๆว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำศีลห้าอศิขาบทต่างๆของพระภิสูปเป็นต้นเหล่านี้ เป็นปาติโมกสองวรศีเนี่เป็นวาริตาสีประการต่อมาคือจริตะศีลอันนี้ว่าโดยการปฏิบัติอันดีงามที่ควรแก่การประพฤติให้บริบูรณ์มีวัดต่างๆมีข้อปฏิบัติต่างๆที่ปฏิบัติต่อแขกผู้มาเยือนหรือเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลที่ควรเคารพเป็นต้นนี่รายละเอียดตรงนี้มีทั้งจาริตและวาริตะอันนี้ก็เป็นตัวศีลที่ที่พึงทราบนะข้อวัดต่างๆข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนเนี้ย เป็นส่วนของจริตตาและก็วาริตตาเนาะเ น, ะนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาให้ชัดในการที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องดีงามนี่เป็นแบบแผนเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดพองทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องของวินัยเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องระเบียบหลักการทั้งหลายก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของอศีลเนี่ยนะ ถ้ามองถึงในเรื่องของตัววาริตาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของปาฏิโมกก็ถ้าเป็นของคารวาสก็ศีลห้าของสมณเณรก็ศีลสิบเป็นต้นเลน้เนี่ยนะของภิกษุก็สองอยิบเจ็ดเป็นต้นเล้เนี่ยอันนี้เป็นวินัยแม่บทศีลของพระเนี่ยถ้าปาฏิโมกข์สังวรละศีลก็คือศีลที่เป็นวินัยแม่บทแต่แก่ประมวลสิกขาบทของพระสองอยี่สิบเจ็ดข้อรวมกันก็เรียกว่าปาติโมกเป็นบทใหญ่สําหรับควบคุมความประพฤติ ข, ของภิกษุ ที่มาอยู่ร่วมกันนี้อยู่ได้รับด้วยการประพฤติดีงามเรียบร้อยต่อกันประการต่อมาเรียกอินเรียสังวรศีนั้นก็ปิดบาป ท, ทางๆหูจมูกเล่นใจกายใจอาชีวประวิสุทธิศีนการเลี้ยงชีพปัจญา ส, สันนิตสตศีนก็เกี่ยวในเรื่องของการพิจารณาปัจใจศีเป็นต้นหลักการต่างๆตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่ควรปฏิบัติมีทั้งศิขาบทหบดที่ว่าด้วยคารวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของจารีตทั้งหลายที่เราจะต้องทําความเข้าใจนุ้ เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ค่อยว่าอีกทีมันยาวมันมันค่อนข้างมีเยอะนะค่อนข้างมีเยอะเลยนะเป็นข้อปฏิบัติที่ที่พึงปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามทั้งหลายเราเนี่ยนะอันนี้เป็นทั้งวิธีวัดจริยาวัดเป็นข้อปฏิบัติอีกเยอะแยะหมดเลยเพึงทราบข้อปฏิบัติในวารีตศีนของพระบริษัทก่อนนะ พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้มีจิตเอ็นดูในสรรพสัตว์โดยมีปกติแม้ฝันก็ไม่เกิดความอาฆาตโอ้ระวังขนาดนั้นนลยแม้ในขณะฝันเนี่ยอย่างพวกเรานี่หลุดเลยใช่ไหมแต่ฝันเนี่ยเคยฝันว่าฆ่าคนไหมเคยฝันว่าไปทุบตีคนไหมเออเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยพวกเราเนี่ยเป็นผู้มีจิตที่ไม่ระวังฉะนั้นขั้นจะต้องระวังว่าเราจะไม่ฝันร้ายจะไม่ฝันว่าไปฆ่าเป็นต้นเป็นผู้ ไม่เกิดอาฆาตแม้ขนาดฝันไม่แต่ต้องวัต ถ, ส ถ, ถุสิ่งของคนอื่นเพราะเห็นเป็นเห็นอะไรถ้าเป็นวัตถุของคนอื่นสิ่งของของคนอื่นเนี่ยมองประดุดเป็นงูพิษเป็นประดุดเป็นงูพิษแต่เราไปจับมันกัดไหมนี่ก็เหมือนกันเห็นเสื้อผ้าของคนอื่นสิ่งของของคนอื่นเ น, นี่ยระมัดระวังเลยไม่ให้ล่วงละเมิดว่าเดี๋ยวไปหยิบขึ้นมาแล้วมีใจยอยากได้ขึ้นมาพวบมันมันครบอ ง, งนะนี่อย่างยกตัวอย่างเช่นวันเนี่ยเห็นของคนอื่นปุ๊บบางคนชอบไปหยิบใช่ไหม พอหยิบขึ้นมาพอใจเฮ้ยเอาซะเลยนี่เป็นหรืออย่างเงี้ยมันน้อมเรียบร้อยแล้วเพราะยกของขึ้นมาแล้วไงของมันล้มมันมันยกขึ้นจากพื้นแล้วใช่ไหมฉะนั้นเป็นคนที่ระมัดระวังมากจะจะไม่เสีลกงนเองด่างพ้อยเลยว่างั้นเนี่ยเหมือนห็นงูพิษเลยหรือมีปกติยินดีในการช่วยเหลือผู้อื่นหากเป็นบรรพชิตเป็นผู้ประพฤติห่างไกลจากอาพรหมจรรย์คือปราศจากเมถุนสังโยก ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับไม่เสพการามนะนั้นไม่พอก็ไม่ไปยินดีในรูปของสตรีเสียงของสตรีอย่างนี้เป็นต้นจะป่วยกายกาวไปยัยอย่างการไปร่วงละเมิดภรรยาของบุคคลอื่นแล้วไม่มีเลยหากเป็นเครือข่าแมสกิตปรารถนาลามกก็ไม่ให้เกิดขึ้นในภรรยาของบุคคลอื่นทุกเมื่อเห็นไหมทุกคนเนี่ยกับผู้หญิงด้วยว่า ง, งั้นเถอะเมื่อพูดก็พูดพอประมาณเป็นคําจริงที่มีประโยชน์ด้วยเวลาจะพูดก็พูดคำอันเป็นน่ารัก และกล่าวธรรมะตามกาลเทศะไม่โลภเป็นคนไม่โลภไม่ทยานอยากไม่อยากได้ไม่พยาบามปองร้ายผู้อื่นไม่มีความเห็นวิปริตจากความเป็นจริงเป็นผู้ประกอบไปด้วยกรรมสกตายานก็คือว่าเชื่อกรรมผลของกรรมก็จะเป็นกรรมวาทีกิริยาวาทีแล้ววิริยาวาทีก็คือเชื่อกรำหรือเชื่อความเพียรไม่ไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ หรือไปเชื่อว่าจะมีสิ่งอื่นตนบรรดาเนี่ไม่เชื่ออันนี้จะเชื่อผลจากการกระทําหวังผลจากการกระทําเท่านั้นจะมีความชัดเจนในข้อนี้มากเลยไม่ใช่ไปเชื่อเพระพรมสร้างพระเทพพเจ้าสร้างหรือสิ่งอื่นจะสามารถตนบรรดาเนี่เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ได้กลับมาประมวลในลักษณะ ข, ของกรรมและผลของกรรมเชื่อกรรมคือเกิดจนงจงใจตั้งใจที่จะทําอย่างไรก็จะต้องเกิดผลตามสมควรแก่เหตุนั้นที่ทําำจะมีความชัดเจนในเรื่องเหตุเรื่องผลตรงนี้มาก มีศรัทธามั่นคงในการปฏิบัติชอบมีความรักรักที่มั่นคงในที่ทั้งปวงด้วยเมื่อพระบริสัทธ์งดเว้นจากอกุศลกรรมบทอันเป็นทางไปสู่อบายภูมิ4ี่คือบายทุกติวิบัติโลกและว่าแตทุกแล้วเนี่ยก็งดเว้นจากอกุศลและกรรมต่างๆแล้วเป็นผู้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทนะที่เป็นทางดําเนินไปสู่สวรรค์และนิพพานความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายก็สามารถสําเร็จได้เดินพันตามปรารถนาใช่ไหม อัธยาศัยของท่านเนี่ยก็จะน้อมไปในการที่ไม่ฆ่าไม่ลักไม่พุิธิกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพื่อเจ้าไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงกายกรรมก็สะอาดวิจิกรรมก็สะอาดเมโนกรรมก็สะอาดพระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยที่บริสุทธิ์จึงสมาทานทาให้บารมีทั้งหลายบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะความเป็นผู้นี้กายก็สะอาดวาจากขาสะอาดใจเขาสะอาดเวลาบาเพ็ญบารมีมีทานศีลเป็นต้นเหล่านี้จึงเป็นผู้บริบูรณ์มากทําได้ดีกิเลสไม่เข้ารบกวน พอบริษัทของเราทั้งหลายมีปกติอย่างนี้ก็คือให้อภัยทานแกส่สัตว์ด้วยการไม่ประพฤติเบียดเบียนก็คือเห็นสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี้ยไม่คิดเบียดเบียนก็เลยเราบางครั้งเราก็ยังห ง, งุดหงิดมากเช่นเดินเข้าห้องไปถ้าเราเห็นมดเต็มห้องเราเนี่ยเราคิดเบียดเบียนเขาไหมเห็นมดเต็มเสือเเสเเส้อผ้าเลยเห็นแมลงสาบเต็มเสื้อผ้าเลยเห็นหนูมาแทะเสื้อผ้าเราจะกลัวแนะ่เราจะกลัวผมจะกลัวกลัวกว่า มันเกิดหนักขนาด น, นั้นไดนะ้ยไงหาสาเหตุมาจากอะไรไม่จริงๆตรงเนี้ยต้องไม่คิดเบียดเบียนนะต้องเออเขามาอยู่ตรงนี้ทําอย่างไรเนาะเราจะเราจัจะจ ะ, จะให้เขาออกจากที่ตรงนี้จริงอยู่แต่ว่าเราจะไม่เบียดเบียนเขาพระทิดแล้วก็ค่อยๆสลักผ้ามันมีคนคนหนึ่งนอนนอนหลับเขาตื่นเป็นพระนี่นะึ่งพอตื่นขึ้นมามันมีงู เ, เรียกงูกะบะ งูกระบาดนี่กัดตายเลยเนี่ยตัวเล็กมากงูกระบาดตัวเล็กกว่านิ้วก้อยอยีกนอก็พลิกไปทับอีท่าไหนเนาะพอตื่นขึ้นมา ง, งูกระบาดตายเลยคือไปพิกทับมันนานจัดใช่ไหมมันงอหัวขึ้นไม่ได้มันก็กัดไม่ทันตัวเล็กๆนี่พอท่านนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าโ อ, โอ้โหเขาว่างั้นเกือบซวยไปเขาว่างั้นนะเนี่ ย, ยรักษณาอย่างเงี้ยแทนที่จะตงห่วงงูกระห่วงกัน องตัวเกลัวตัวเองตายไอ้ที่ไปทับเขาตายเนะ่ยก็ไม่คิดเข้าใจอย่างนี่เห็นไหมมนุษย์โดยมากก็เป็นอย่างนี้เห็นแก่ตัวจัดเห็นแก่ตัวจัดอมีพระรูปหนึ่งมีอยู่วัดหนึ่งเลยเนี่ยอยู่ที่สีประจันวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่เขาบอกอมนุษย์ดุมากอามนุษย์คือพวก อารุณเป็นเทวดาก็ดีเป็นเปรตเป็นอะไรสุรกายที่อยู่ในบริเวณเบียดเบีย น, ย น, ยนตลอดวงนั้นเลทีนี้พระรูปนี้ถ้าท่านไปอยู่อยู่ก็ไม่เมียงองค์ก่อนไปอยู่โอ้โหตายมันเบียดเบียนเอาซะตายเลยทีนี้ไม่ไม่คราวหนึ่งก็คือมีคนมาถวายอาจารย์นี่แหละอาจารย์ก็เลยส่งส่งกลุ่มท่านมีใช้นี่แหละกระพร้าไปอยู่อยู่ที่วัดนี่อยู่ตรงนี้ เป็นวัดล้างโออยู่กันก็ผาสุกพอสมควรทต่นี้สององค์ที่ท่านไม่อยู่ท่านก็เลยบอกว่าเออให้พระที่เนี่ยองค์นึ่งช่วยไปอยู่แทนหน่อยพระที่นี่ที่อยู่สวนป่ า, ท, าปท่านก็ไปท่านก็ท่านก็ไปนอนในห้องข้างล่างแค่โอ้ยมันเหม็อนอะไรเนี่ยเหม็อนอย่างกับซากศพเน่าเลยตอนคืคนๆนอนเหมือนอยู่กันหน้าเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วเหม็นจัดเลยเพราะงั้นเนี่ยท่านก็เลยลุกออกมาใช่ไหม ลุกออกจากห้องนั้นเนี่ยแล้วก็มาอยู่ข้างนอกมันนอนโอ้ข่อยช่วยเลยพอตอนเช้าเข้าไปดูโ อ, โ, <st arts> โอ้โหงูกระบาดมันมันนอนขดอยู่ตรงนั้นแหละตรงหน้า ท, าท่านดีตรงนั้นเน่ยที่ท่านเหม็นเนะี่ยเออมเหม็นได้ยังไงอ่ะก็เลยมานั่งคิดอ๋อสงสัยอมนุษย์เนี่ยช่วยไว้ <st arts> ถ้าขืนท่านนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยงูนี่ฉกหน้าแน่นอนมืดๆไง เออเกิดเหมือนอยังไม่เคยเหมือนอะไรมาก่อนอย่างนี้เลยท่านเหมือนยังอยู่ไม่ได้ลุกออกมาแล้วก็มากลางกรดนอนข้างนอกตอนช้าจึงตื่นขึ้นตอนเช้าจึงไปดูไงไม่มีไฟโอ้โหงูงูมันนอนขดอยู่ตรงนั้น<ป>ยังเนี่ยงูก็ยังไม่ตายนะเนี่ยต่อมาท่านก็เลยมาไล่ไล่มันออกเนี่ยบางทีเห็นไหมอมนุษย์เนี่ยก็กลุ่มเทวดาทั้งหลายทีนี้ก็ช่วยพระนะไม่ใช่ไม่ช่วย ถ้าไม่ช่วยตายไปแล้วใช่ไหมเรางูอูงนี้ถ้ากัดแล้วไปไม่ได้เลยงูตัวนี้ยงูกระบาดเพราะกัดป้าก็จะหมดแรงตรนนี้เขาเป็นกลุ่มตระกูลพิษแล่นเร็วถ้างูเห่าเนี่ยไม่ค่อยแล่นเร็วเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไปไม่ทันก็มันกัดดำมาถึงไหนต้องตัดถึงนั้นแหละกลุ่มงูเหา่าตัดมือทิ้งอะไรหนงงๆหมดเลยแต่พวกนี้กัดปุ๊บนี่ไปเลยมันแล่นวุ้ฟฟเร็วๆไปหาหมอไม่ทันก็เรียบร้อย งุก บ, บาปนี่เร็วมากตัวเล็กๆือพิกและเร็ว น, นี่นพระก็จะต้องพระภิกษุสามนเณรที่บวชมาในพระศาสนาถ้ามีศีลเนี่ยก็จะต้องมีการเจริญพระปริตด้วยก็ป้องกันอันตรายเหล่านี้ได้นี่นะเออทงนี้พระโพษิสาตท่านก็เวน้นบาปต่างๆเหล่านี้ได้เร็วนะได้เร็ว ถ้บริษัทเป็นผู้มีอัธยาศัยบริษุทธิ์จึงสามารถทําให้บารมีทั้งหลายบริบูรณ์ได้อย่างยิ่งขึ้นเพราะบริษัทของเรานะั้นมีปกติก็คือให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายโดยไม่ประพฤติเบียดเบียนด้วยการที่มีจิตให้อภัยนี่แหละไม่เบียดเบียนใครเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยมนุษย์นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วโอ้ยให้ความรากักความประลาดนะนะดีแม้สัตว์ทุกทุกจำพวก ก็มีความปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนนะมีกําลังกายมีกําลังใจและจงเป็นผู้มีความสุขนะเห็นไหมจะมีบทถึงที่บอกว่าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายใช่หไหมขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันละกันคืออย่ามาอย่ามาฆ่ากันอย่ามาลักทรัพย์กันอย่าได้เบียดเบียนกัน จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและจิตของท่านจะน้อมไปแบบนี้ตลอดเลยไหมมันก็อ่อนโยนอยู่ไหมใจก็น้อมไปอย่างนี้ตลอดบอกว่าอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อย่า ไ, ได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดเนี่ยใจน้องไปงี้ตลอดถามว่าไอจิตที่โหดรายย้ายจะค่อยๆหายไปไหมจิตที่โหดร้ายก็ค่อยหายไปงนั้นท่านจึงจึงเป็นเหตุให้เจริญเมตตาภาวนาให้บริบูรณ์ได้ไม่ยากเลย แล้วก็สามารถที่จะบรรลุ อ, อนิสงฆ์เมตตา11ประการได้ด้วยเมื่อเจริญเมตตาได้ก็เลยหลับเป็นสุขใช่ไหมตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายไฟสัตรายาพิษโรคร้ายก็ไม่กล้ากลายมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วเลยตั้งจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่เป็นอัลไซเมอร์คือไม่หลงทําการกริยา ตายแล้วก็ไปสุคติไปพรมโลก น, นู่นนี่แท้จริงขั้นจึงเข้าคนที่เจริญศีลแล้วมันจะเชื่อมโยงกับเมตตาเชื่อมโยงกับเจริญเมตตาภาวนาได้งา่ายถ้าศีลเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะศีลเนี่ยไม่เบียดเบียนเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วเป็นผู้มีอาพาธน้อยไม่เจ็บไข้ด้วยมีอายุยืนมีสุขมีสุขมากแล้วก็จึงบรรลุมหาปุริสราขณะพิเศษแล้วก็ตัดวาสนาอันเป็นโทษได้ง่ายด้วย อย่าแปลกใจว่าเมื่อศีลท่านบริบูรณ์ก็เลยมีมหาปุริสระขนาดที่บริบูรณ์เลยที่เราเรียนกันในเรื่องของว่ามีฝ่าเท้าเป็นยังไงฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มเป็นยังไงฝ่ามือฝ่าเท้าเรียบสม่ำเสมอมีออมีข้อเท้าเนี่ยยกขึ้นสูงมีหน้าแข้งเรียวอย่างแข้งตรเนื้อทายเป็นต้นเหล่านี้นะมีพรวรากายตั้งตรงนนะมีพระเนตรทิงดงานเนี่ย มีริมพระโอษฐ์หรอมีเนี่ยมีพระธันตากฟันเนี่ย ส, สี่สิบซี่โอ้โหฟันเสมอเรียบเลยเนี่ยนะไม่ห่างแล้วก็มีรําพระศรเนี่ตรงเลยว่างั้นจะตรงกลมเลยกลมอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้ที่ได้มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกุศลแลศีลเนี่ยนั้นศีลเนี่ยรักษาให้ละเอียดอ่อนเท่าไหรแล้วจะทําให้เป็นผู้มีรูปงาม ถ้ปราถนาอยากเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรูปงามด้วยอายุยืนด้วยไม่มีโรคภยครัยแค่เจ็บเบียดเบียนรักษาศีลดีให้เจริญศีลดีแล้วจะตกแต่งสรีระให้งดงามฉะนั้นแต่คนบางคนในปัจจุบันนี้พบเนี่ยเป็นคนไม่รักษาศีนเลยแล้วก็จะเริ่มเศร้าหมองในปัจจุบันนี้ด้วยพอไปอัตภาพถัดไปโอ้หน้าตาจะง่ากเกลียดสุดๆน่ากลัวไหมก็นั้นนี้เป็นตัวก็เพราะพระบริ ษ, ษัทไม่รักทรัพย์จึงได้โพกทรัพย์ อย่างมากมายแล้วได้โพกทรัพย์มาแล้วก็ไม่วิบัติไปเพราะโจรไม่ได้โพกทรัพย์มาแล้วโจรก็ไม่พ้นได้โพกกระซับมาแล้วน้ําก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหมลมพายุใหญ่ก็ไม่พัดพาแผ่นดินก็ไม่ถล่มแล้วก็ไม่ถูกพระยาพระราชาลิทรัพย์หรือไม่ได้ทาญาติอปรีเข้ามาขโมยได้ทาญาติดีๆหมดเลยแต่ถ้าหากว่าผลของอธินนาทานนั้นจะได้ทาญาติ ถ้าเกิดไม่โจรไม่ป้นหรือไฟไม่ไหม้ทั้งหลายจะได้ทายาทชั่วมาได้ทายาทไม่ดีผานเกลี้ยงเลยนี่เป็นอย่างนะี้นะดูสิเนี่ยนั้นศีข้อสองดีไหมนั้นต้องเจริญให้ดีไม่รักทรัพย์นี่แหละและคนอื่นก็จะไม่รังเกียจเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจหน้าครบหามีใจไม่คล่องในวิภาวะสมบัติคือเห็นแล้วตายแล้วขาดสูนจะไม่มีการเห็นในลักษณะอย่างนั้นอีกชอบบริจาค แล้วก็ตัดวาสนากิเลสที่สั่งสมมาเป็นอุปเิสัยก็อันเป็นปัจจัยแก่โลภะก็คือสามารถที่จะล้าโลภะได้เป็นต้นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ก็คือไม่คล้องแวะกับบุตรภรยาบุคคลอื่นจึงเป็นผู้ไม่โลเลหรื อ, อคนที่โลเลแสดงว่าทํากรรมข้อนี้นะผิดกรรมข้อนี้มามีกายใจสงบเยือกเย็นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่รังเกียจของสัตว์ทั้งหลายกิตติศรรัตว์ชื่อเสียงอันงามของพระมหาสัตว์เนี่ยก็ฟุ้งกระจรไป ไม่มีจิตคล่องในมาตุคามทั้งหลายมีอัธยาศัยไม่โลภไม่กำหนัดไม่ยินดียินดียิ่งในเนคข ม, มะจึงสามารถบรรลุมหาปุริสระขนาดสามสองประการและรู้เยันยะแปดสิบได้และสามารถตัดสวาสนาก็คือตัดความโลภได้ไม่ยากนี่เป็นอย่างนี้นะนี่ประพฤติพรหมจรรย์ดีดอย่างนี้ฝึกไว้นะตอนนี้ประพฤติเยอะว่าเออเนี่ยไม่ยินดีในเพศตรงข้ามไม่น้อมใจเพียงเป็นไหมเน้นแชมป์ยินดีว่า คือศีลข้อพรมรุษพรหมจารย์ดีหรือไม่ดีดเพราะโพธิศาสตร์นั้นไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจริญในไม่พูดเท็จจึงเป็นเครื่องวัดหรือเป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่เชื่อถือได้การไม่พูดเท็จเนี่ยจะเป็นคนที่มีคำพูดที่น่าเชื่อถือไม่ต้องไปบังคับให้คนเชื่อแล้วก็มีคนอยากจะฟังเราตลอดไปพูดณที่ไหนมีแต่คนอยากฟัง ไว้ใจได้มีถ้อยคําควรเชื่อถือเป็นที่รับเป็นที่ชอบใจของถวยเทพด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือมีกลิ่นปากที่หอมรักษาความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาจึงสามารถบรรลุมหาบุริศลาราขนาดสาประการได้ด้วยและลักษณะพิเศษได้ด้วยตัดวาสนาอันเป็นกิเลสียได้เนี่ยอัตยาศัยจากการที่ประพฤติศีลข้อไม่พูดเท็จเนี่ยนักเข้านักเข้าจะเป็นปัจจัยการละ ก, กิเลสได้ พระโพธิสัตว์ไม่พูดส่อเสียดก็คือไม่พูดในคนแตกกันไม่พูดในคนทะเลาะกันไม่เอาความข้างนู้นมาบอกกับความข้างนี้ทําให้คนสองคนนั้นแตกกันแยกกันจึงมีบุรากายไม่แตกแยกคือใครๆไม่สามารถทํเพราะบุรากายแตกเป็นแผลได้เลยก็คือว่าเห็นไหมเนี่ยการพูดไม่พูดในคนแตกแยกนี่นะพระโพธิสัตว์เนี่ยขนาดองไรรด้ไห ย, ยพระเทวทัตเนี่ยเอาก้อนหิน กริ้งกริ้งก้อนหินมากระทบพระบาทเนี่ยกระทบเนี่ยเนี่ยหนังไม่หนังไม่แยกเลยนายขมังธนูเอาธนูไปยิงก็ยิงไม่ได้นั้นใครจะไม่สามารถเอาเอาของมีคมไปฟันพระวรากายพระริเจ้าให้แตกแยกได้เพราะไม่เคยพูดให้คนแตกแยกกันสุดยอดไหมศีลก้อนนี้ยใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้มีบริวารไม่แตกแยก มีพวกมีเพื่อนมีพ้องทั้งหลา ย, ยก็รักรักสามัคคีกันสมักสมานสามัคคีกันเห็นไหมการไม่พูดส่อเสียดมันดีอย่างนี้แหละแม้คนอื่นจะพยายามอย่างไรก็ไม่แตกเช่นนะสมมุติว่าในแชมป์หรือว่าจันสตานเนี่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่อยู่เป็นบริวารของท่านนายสมมติไม่มีคนต้องการให้ยุให้แตกซะเลย มีคนมายุ่ไงก็ไม่แตกท่าศีลของท่านนั้นดีในเรื่องของการไม่พูดจาไม่พูดส่อเสียคือการไม่พูดให้แตกแยกไม่พูดให้คนเขาทะเลาะ ก, กันไม่พูดพูดไม่เอาความข้างนู้นมาบอกข้างนี้เอาความข้างนี้ไปบอกข้างนูน้นเป็นเหตุทําให้คนเขาแตกแยกกันแต่เป็นผู้ที่ชอบเชื่อมสมานคนที่แตกกันให้ดีกันประสานรอยร้าวพูดให้คนสมัติสมานสามัคคีกันเนี่ย คนที่เจริญศีลข้อนี้ดีจะมีบริวารไม่แตกแยก่แล้วร่างกายตนเองก็จะไม่ถูกของมีคมบาดให้แตกคือเกิดสมมติไปประสบบาิเหตุตูมคนอื่นเขาคอขาดใช่ไหมแขนขาดขาขาดอวัยวะฉีกนี่ไม่เป็นไรเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยกรรมนี่<ม>ดี เ, เ, อเออไม่มีแผลเลยคือกายจะไม่แตกไม่แตกออกจากกันเลยรักษาศีลข้อนี้ดีนะจะให้ผลขนาดนั้นเลยน่ารักษาไหม อ่าสมมุติว่าโดดเอาหัวโมองพื้นตูมลงไปเนี่ยคนอื่นเขาโหะทะเลาะปากเปิดหมด น, นี่ไม่เป็นไรนี่ก็ต่อกระตือเนี่ยมีเสียงไม่แตกแยกในภาษาธรรมถา้าเสียงไม่แตกแยกในภาษาธรรมเวลาพูดอะไรเนี่ยก็จะพูดแต่เป็นอัดเปธรทำบางคนเนี่ยโหไม่ได้น่าฟังแล้วมีมิตรที่มั่นคงเวลามีเพื่อนเพื่อนก็จะรักเรามั่นคงไม่อยากจะแตกแยกไปเย่างั้น เป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวดุดสะสมไว้ในระหว่างพบและเป็นผู้ไม่เศร้าหมองด้วยนี่เห็นไหมการไม่พูดส่อเสียดจะได้ดีแบบเนี้ยอประการต่อมาคือการไม่พูดคําหยาบไครชอบพูดคําหยาบถ้าพูดยกตัวอย่างนี้ไม่หยาดว่าหยาบเนี่ยอย่างยกตัวอย่างในสมัยพ่อคุนรามคําแหงเนี่ยพ่อกูเห็นไ้มเนี่ย ชื่ออะไรอย่างเนี้เนะแม่กูชื่ออะไรสมัยก่อนเขาพูดกันกูมึงกูมึงอย่างนี้ที่เรียกว่าหยาบไหมหยาบมันอยู่ที่ใจที่คิดประทุษร้ายถ้าพูดด้วยโทรศัพท์เนี่ยพูดเพราะๆก็หยาบผมบอกเนนแชมปบอกว่าเนนแชมปอย่านอนซะนะนอนแล้วอย่าตื่นนะเูี้ยพ่างนี้นะคือแต่มีใจคิดว่าให้นอนแล้วตายไปเลยอย่างเงี้ยหยาบพูดเพราะๆนี่แหละบางทีมเนนแชมปจะแบบเออกลับซะนะ เล่นแชมป์นะกลับบ้านไปจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบคือแต่ใจคิดประทุสลายนะว่าจะไปตายเสียเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกหยาบตั้งทั้งที่พูดดีนี่แหละแต่มีใจประทุสลายเข้าใจะหยางบางครั้งเนี่ยพูดภาษาวัยรุ่นก็คุยกันเนี่ยข้อภัยเขาใช้คําว่าเฮ้ยมึงกูใช่ไหมแต่ว่าไม่มีจิตที่ประทุสลายแต่นี่ไม่เรียกว่ายาบนะต้องเข้าใจด้วยงั้นเพราบริษัทไม่พูดหยาบ แล้วก็ท่านรู้จักภาษาที่ใช้เป็นจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสัตว์ตั้งหลายมีปกติอยู่เป็นสุขด้วยพูดไพเราะพูดหน้ายกย่องจึงมีเสียงประกอบไปได้วยองค์แปดประการองค์แปดประการก็คือเสียงนุ่มแล้วก็เสียงกลางหวานชัดไม่ฟ้าไม่พลาดเป็นเสียงที่กล่มกล่อมเปนเสียงฟังนุ่มนวลฟังหน้าฟังเสียงพวกเรานี่ไม่ได้เลยนะไหม เหมือนเหมือนบางคนเวลาสวดมนต์น้าฟ like, ังนะบางคนสวดมนต์โอ้โหไม่น่าฟังเลยเสียงเล็กแหลมด้วยบางคนสวดมนต์หรือสาธยายอะไรน่าฟังมากเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาบารานสียังวิหารตีเนี่ยเสียงรักสลังเนี่ยโอ้เนี่ยเพราะจากการไม่พูดคําหยาบก็เลยได้ได้เสียงที่ดีนี่นะเป็นอย่างนี้แหละมีถ้อยคํำก้อนเชื่อถือได้ด้วย ไม่ไม่พูดคำอย่างเพราะพระบริษัทไม่พูดเพ้อเจ้อเข้าใจคำว่าพูดเพ้อเจ้อไหมพูดไร้าสาระพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็พูดมั่วไปเรื่อยๆอย น, นเหมือนอะไรเพ้อเจ้อเหมือนตลกพูดตลกขนองอะ่ะเคยเห็นไนะ้ยพูดขำข ำ, ขำไม่มีเหตุมีผลอะไรหรอกลักษณะนี้ก็เลยเพ้อเจ้อ ท่านไม่พูดเพ้อเจ้อจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจและน่าเคารพยกย่องของสัตว์ทั้งหลายมีถ้อยคําที่ควรเชื่อถือได้พูดพอประมาณจึงมีศักด์และมีอนุภาพมากฉลาดในการแก้ปัญหาด้วยปฏิพานคือการกล่าวโต้ตอบได้ฉับพลันสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมากมายของสัตว์ทั้งหลายหลายภาษาด้วยคําเดียวเท่านั้นในพุทธภูมินี้เออเดีนี้พุทเจ้าจะมีจุดเด่นตรงนี้นะ สมมติคนมานั่งฟังพระเจ้านี่นะหนึ่งล้านคนแล้วพระเจ้าพูดเพียงใช้ภาษาเดียวพระเจ้าใช้ภาษามคตอย่างเช่นว่าพระเจ้าบอกเอวาเมสุตังเอกังสมัยยังปะกวาบาลนัสยังมหารตีสิบเทเรไปต้นอะไรเนี่ยนะสมมตินะใช้ภาษาพูดเนี่ยภาษาที่พระเจ้าพูดเนี่ยจะแล่นเข้าสู่โสตประสาทของสัตว์สมมติสัตว์ที่มาล้านกว่าคนมาคนละภาษาภาษาเลยเนี่ยเวลาพระโสระเสียงพระเจ้าเข้าสู่โสตประสาทของสัตว์นั้นก็จะ เปลี่ยนเป็นภาษาของคนนั้นเลยเป็นภาษาของคนคนนั้นในชาตินั้นๆทันดีเลยนี่ความมหัศาจรรย์ของการที่ไม่พูดไม่พูดเพรสเจอร์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะนี่มันดีอย่างเงี้ยเนี่ยนะต่อไปถ้าไม่พูดเพรสเจอแล้วต่อไปเนี่ยเราเวลาพูดอะไรไปแล้วต่อไปสัตว์จะเข้าใจได้ง่ายรู้เรื่องได้ง่ายหลายคนที่พูดเพรสเจอร์เนี่ยไปพูดอะไรใครเนี่ยเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ไหมนี่เป็นต้นนี่แหละ พราะพระโิสัสว์เป็นผู้ไม่โลภจึงมีลาบได้ที่ต้องการได้ของชอบใจในโภคะมากมายเป็นที่ยอมรับของกษัตริย์มหาศารเป็นต้นข้าศึกก็ครอบงำไม่ได้ไม่เป็นผู้มีอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นพิกรพิการเป็นบุคคลผู้หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ก็คืออย่างเนี้ความไม่โลภนี่นะอะโลภะหรือความโลภทําให้เสียทรัพย์ นั้นยิ่งอยากได้เท่าไหร่ยิ่งโลภมากเท่าไหร่จะยิ่งวิบัติทรัพย์จะยิ่งวิบัติความไม่โลภเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติฉนเวลาเราให้ทานเนี่ยเราสละเนี่ยตัดความโลภได้เนี่ยความเป็นผู้มากมายด้วยซัะจะ์จะจะบริบูรณ์กันนะก็เรานี่เป็นอย่างนี้นะและจะได้อะไรตามที่ชอบใจนะงั้นพยายามว่าถ้าเราโลภนี้วัตถุสินชิ้นไหนสละสละให้ทั้งมากและเราจะผููได้ของตามที่ต้องการ เมื่อเราให้ของที่รักเราก็จะได้ของที่รักเราให้ของที่เราชอบเราจะได้ของที่เราชอบให้ของที่เราหวงเราก็จะได้ของที่เรารักเราชอบยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่นี่เป็นต้นฉะนั้นจงทาลายความรู้สึกรักหวงแหนอะไรแล้วก็สลายเราไปดูนะว่าเรารักอะไรฝึกหัดสละตรงนั้นได้เพราะพระบริษัทไม่พยาบาทไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตจึงเป็นผู้ดูน่ารัก เป็นที่ยกย่องของสัตว์ทั้งหลายให้เลื่อมใสโดยไม่ยากความโกรธทําให้หมดอํานาจความไม่โกรธเนี่ยทําให้เป็นคนมีอํานาจเป็นที่รักเป็นที่ยอมรักของคนเป็นที่พอใจจึงเป็นผู้มีปกติไม่เศร้าหมองอยู่ด้วยเมตตาเป็นผู้มีศักดิ์มีอนุภาพมากเห็นไหมฉะนั้นถ้าอยากมีอนุภาพมากไม่ยากเลยนะก็จงฝึกไม่พยาบาท เพราะโพิสาตว์เป็นผู้ไม่มีความเห็นผิดก็คือไม่หลงนี่แหละไม่เห็นผิดจึงได้สหายดีจึงได้สหายแม้จะถูกตัดศีรษะก็ไม่ยอมทำกรรมชั่วโอ้ยอย่างเราเนี่ยแ้าเขาบอกว่าระหว่างสุ น, นัขตัวนี้ถ้าฆ่าสุ น, นัขตัวนี้แล้วเราจะไว้ชีวิตเจ้า แต่ถ้าไม่ฆ่าสุนัขตัวนี้เราจะตัดศรีรษะเจ้าอา้าวถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราจะจะคิดยังไงเราจะยอมตัดศรีรษะจะยอมฆ่าสุนัขตัวนั้นไหมเพื่อให้เรารอดหรือยอมตายดีกว่าที่จะไปฆ่าคนอื่นให้ตายอ่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องโจนเขาแดงนะไอ้โจนเขาแดงเนี่ยทาไมก็เรียกไอ้โจนเขาแดงต่อมามาเป็นเพชฌฆาต เขายกเพชรฆาตโจนเขาแดงเขามีประวัติมาอย่างนี้เขามีเพื่อนของเขาห้าร้อยคนเป็นโจนห้าร้อยเขาเรียกโจห้าร้อยเนี่ยเที่ยวป้นเพื่อนอป้นตาหมู่บ้านคำนิคมจนโด่งดังในชมพูทวีปในยุคนั้นเพราะอยู่ต่อมาพระราชาจับได้โจนถึงจับได้หมดเพราะจับได้หมดก็มา ม, ามัดเขาไว้นี่ไอ้เจ้าเขาก็เลยประกาศบอกว่าใครอยากมีชีวิตรอดยกมือขึ้นฟลุกหมดเลย ไม่อยากตายอ่ะมีข้อแม้ว่าถ้าใครสามารถฆ่าเพื่อนทั้ง499คนด้วยมีดเนี่ยตัดศีรษะ499คนได้เราจะให้คนนั้นรอดแล้วก็จะมีอาชีพให้เป็นเพชฌาตออถ้าอยากเราเป็นเพื่อนๆกันที่เป็นโจรตั้ง500เราจะเอาไม่กล้าฆ่าเพื่อนไหมกล้าไหมไอ้เจ้นีียกมือปุ๊บเลย ไอเจ้าไอไอไอขาวแดงเนี่ยไอไอโจนขาวแดงมันมันเป็นคนโหดมากเลยไอเจ้านี่โหดมากเพื่อนก็มองกันตะลึงนี่ด่ากันนะนะมันไม่สนเข้ามาเขามันบอกเอาเลยมันฆ่าแล้วมันรอดน่ะไอเจ้านี่เอาเลยอ่ะฆ่าสี่ร้อยเก้าจุดเก้าคนใช้วีดมาเลยมาไปเสร็จตัดคอเพื่อนเปิ๊ดขาดอ้ามาเพื่อนกันด่าสาบแช่งสารพัดเนี่ยไม่สนตัดฟุบฟุบ นัน่นแหละตัดคอเพื่อนเป็น499คนโหดไหมเคยเห็นคนโหดขนาดนี้ไหมเคยได้ยินข่าวไหมว่าใครโหดขนาดนี้ไอ้เจ้าเนี้ยแล้วต่อมาก็เลยถูกพระราชาแต่งตั้งเป็นเพชฌฆาตโอ้โหแล้วตัดคอคนแม่นมากเพราะมันตัดเพื่อนมาตั้ง499กูเช่นนี้ที่หลับตาตัดถูกเลยวะนั่นเองถ้าเขาจับโจมไม่ได้โทษประหารเนี่ยเขามาอู้หฟุ๊กขาดทันทีมันทํำมาอย่างนี้ทั้งชีวิตเลยครับ ทำทำไปโอ้โหสามสิบสี่สิบปีมันก็ทำนี่แก่ลงแก่ลงนักเข้านัเข้าพอมันแรงไม่ค่อยมีแล้วเว้ยมันต้องฆ่าคนทุกวันเน่ะมีอยู่วันนก็คือเอามีดฟันปึกเอ้ยไม่ขาดวะ่ะฟันปึกไปกลัวจะขาดตัวโหหลายครั้งว่ะมันก็ทรมานไหมคนคนคนตายก็ทรมานไหมทรมานดิหมดแรงแล้วเหมือนเหมือนยมสวาเนี้หมดแรงแล้ว มันก็เข้าไปนิดเดียวแล<ะ>้วก็ตัดม้เงีนี่ยเนี้ยก็ถีอ้อมถูไปถูมาคอเขาขาดโอ้ไม่ไหวแล้วเขาก็เลยปลดละวางใช่ไหมแล้วมีคําสั่งจกากพระราชาว่าพอแล้วไอ้เจ้เนี้ยหมดแรงแล้วเว้หมดแรงทําชั่วแล้วไม่ไหวตัดคอเขาโอ้โหาจะขาดเป็นสิบสิบครั้งเนี่ยต้องทรมานใช่ไหมแต่ก่อ น, นตัดข้างเดียวขาดข้างเดียวขาดแต่ น, นี้โอ้โหเขาลม เขาก็ล้ปลดเขาโอ้มีอยู่วันหนึง่งพอถูกปลดแล้ววางแล้วก็เดินเมียก็เอาข้าถอดซักเสื้อผ้าสะอาดจะกินข้าวเมียเอาข้าวมาให้หนุกเมียเอาข้าวมานี่เจอภาษารีบุตรพระยะไอ้เจ้านี้วันนี้วันตายมันเนี่ยมีวันนั้นภาษาลีบุตรเดินบินบาบมาต้องการอนุเคราะห์อไอ้เจ้านี้ไอเ้ไอเจ้าบาปกรรมเนี่ยวางเงินเถอะ พอมาถึงก็โอ้ยเราเกิดมาเราได้แต่ค่าคนเราไม่เคยใส่บาทเลยโอ้โหชีวิตเรานี่บา ป, ปรกรรมแทๆ้ๆใช่ไหมจำเึกกั น, นิดนึงจำเึกแล้วววันนี้เราไม่กินแล้วทำลายความหิวทิ้งซะเลยถวายพระเถระนี่แหละมีพระเถระมีคุณมากเ่็นไหมภาษาริบุนที่เป็นพระอาหารมีคุณมากออกจากนี้โลดท่านก็ พอใส่บาทแล้วก็เดินไปส่งชั้เจ็ดก็เดินไปส่งพ่อทีละพ่อเทีละก็ที่โอ้โหได้ยานได้ก็เรียกอนุล ม, มะขันติยานเกือบได้บรรลุแต่ไม่ได้บรรลุเนะ <c oughs> ได้ขากลับมาโดนวัวควิดตายนี่โดนวัวควิดตายเนี่ยไปไปไม่ตกนรกด้วยไปสุคตินี่ขนาดนั้นเลย เนี่ยกุศลที่ทำกัปเทวานี่บุญใหญ่ขนาดนั้นโหคนชั่วขนาดนี้ยังโปรดได้เลยใช่ไหมแล้วหนูอ่ะชั่วกั น, น่าขอากันตกอ้โหนี่ชั่วจริงใช่ไหมฆ่าเพื่อนได้เนี่ยโอ้โหแต่ยังเราจะกล้าไม่เนี่ยคิดยังไม่อยากจะคิดเลยนะ ไอเจ้า น, นี้ไม่ยอมตายกับเพื่อนเลยยก บ, บึบปุ๊บโอ้โหอ้หยุ่งเลยอ้อย่าเป็นแบบนี้เด็ดขาด น, นะ <c oughs> สวยเลยเนี่ยพวกนี้คือพวกเห็นผิดนะเนี่ยพระพุิธัาสนเนี่ยไม่ไม่เห็นผิดแม้จะถูกตัดศรีรษะก็ไม่ทำกรรมชั่วเป็นผู้ไม่เชื่อไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าวเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ม, รร ม, มีกรรมเป็นของของตนเห็นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะไม่ถือมองคลตื่นขา่าวคำว่าไม่ถือมองคลตื่นข่าวนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเข้าใจคำมงคลตื่นข่าวไหมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อโชครางเชื่อว่าจะมีอะไรดนบันดาลต่างๆให้สามารถพ้นจากพยานันตรายต่างๆ ต, างตรงนี้เป็นต้นไปได้เชื่อว่าน้ําศักดิ์สิทธิ์บ้างคนนั้นศักดิ์สิทธิ์บ้างไปลักษณะแบบนี้ แล้วเขตื่นข่าวลือกันไปคลาวคลาแต่พระพบริษัทหรือคนที่ฉลาดในคําสอนก็จะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมศรัทธาของบริษัทอย่างรากมั่นคงในพระศรธรรมเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตเนี่ยเป็นตถาคตโพธิศรัทธาด้วยไม่ยินดีในรัทติอื่นเช่นรัธิที่สอนผิดผิดนี่จะฉลาดแยกแยะได้ทันทีในการกําหนดลักษณะสามก็คือ คือสามารถมีปัญญาเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาและเป็นผู้ได้อนาวรณญาณในที่สุดถ้าได้บรรลุโพอิญา์เพียงใดก็จะเป็นผู้โดดเด่นนะถ้าท่านยังไม่บรรลุถ้ายังไม่บรบรลุสมาสามพอิญา์จะเกิดหน้าตาภาพใดก็จะเป็นคนโดดเด่นในหมู่สัตว์นั้นๆนะเป็นหัวหน้าอยู่ด้วยโดดเด่นมาก ไปอยู่ในหมู่ไหนแม่ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ฉานก็เป็นสัตว์ได้ฉันที่โดดเด่นกว่าสัตว์ทั้งพวงนี่จะมีลักษณะพิเศษอย่างนี้โดดเด่นงดงามมากอย่างนี้เป็นต้นจะบริบูรณ์ด้วยสมบัติมากมายกายกองศีนี้เป็นที่น่ายกย่องมากมายและธรรมดาว่าศีนี้เป็นที่ตั้งแห่งสมบัติทั้งพวงด้วยนะทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นต้นเลยสักกะสมบัติมาลาสมบัติพรมสมบัติ สาวกบาลมิ ญ, ญาณปเจิจโพธิยาณและก็สัมมาสัมโพธญยานเป็นบอ่อเกิดแห่งพุทธคุณทั้งปวงเป็นต้นด้วยเป็นเจรณะเป็นข้อปฏิบัติเป็นปากทางเป็นมุขขะของพุทธการะธรรมมุ ข, ขขาก็คือปากปากทางแห่งการที่เป็นพุทธเจ้าเขาโพธิศัสตร์ผู้ไม่ประมาทในการสํารวมกายวาจาในการฝึกอินทรีย์ในความบริสุทธิ์ทั้งอาชีพด้วยในการบริโภคปัจจัยทั้งหลายด้วยปัญญาด้วยสติปัญญากําหนดลาบสกาละ และเสียงสารเสินเป็นไปในลำดับเป็นการปฏิบัตินี่ที่เป็นไปในรักหนังวารีศีลเห็นไหมวารีศีลก็คือศีลที่เป็นศีลหลักทั้งหลายเหล่านี้ยท่านจะฉลาดในการรักษาศีลเพราะท่านเห็นอะไรศีลแต่ละข้อที่ปฏิบัตินี่มีคุณหมดเลยใช่ไหมผลที่จะได้รับเป็นยังไงยังไงเป็นต้นทีนี้ในรักหนองจารีศีลศีลที่เป็นธรรมเนียมประเพณีเป็นข้อปฏิบัติ จะทําการกราบไหว้ต้อนรับการประนมมือไหว้การแสดงความเคารพแก่กัลยาณมิตรผู้ดํารงอยู่ในฐานะเป็นครูตลอดกาลเออคนคนนี้จะเคารพครูอาจารย์เวลานั่งฟังก็นั่งด้วยความเคารพทําการบํารุงกัลยาณมิตรเหล่านั้นตลอดเวลาด้วยทําการช่วยเหลือคนไข้ทั้งหลายฟังบทสุภาษิตแล้วก็จะสาธุ ก, การฟังธรรมะก็จะสาธุน่มีใจเนาะในการที่จะฟัง เป็นบทสุภาษิตธ์เป็นบทความรู้ทั้งหลายก็หายความรู้มาพัลณ า, าคุณของผู้มีคุณธรรมด้วยอด ท, ทนในการทําความเสียหายของคนอื่นละลึกถึงผู้ทําอุปการะคุณยินดีในการอนุโมทนาบุญของผู้อื่นด้วยินดีเนียใครอนุโมทนาบุญก็ยินดีน้อมบุญของตนเพื่อบรรลุสัมมาสัพพติญาณบอกว่าบุญที่ทําทั้งหลายกุศลที่ทําทั้งหลายเนี่ยเพื่อเพื่อสัมมาสัพพติญาณเท่านั้นเพื่ อ, อาการบรรลุธรรมเท่านั้น ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในกุศลธรรมตลอดกาลนานเมื่อมีโทษก็เห็นด้วยความเป็นโทษแล้วก็แจ้งแก่สหธรรมิกาเช่นนั้นตามความเป็นจริงบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเ้ารู้ว่าเป็นโทษปุ๊บก็รีบโอ้เราทำผิดไปแล้วก็รีบกลับรีบทำคืนทำคืนเบดสร็จก็บอกว่าโอ้ต่อไปเราจะฝึกตนเองให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์เมื่อทา สิ่งที่เป็นประโยชน์อันสมควรแก่ตนเองและสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ขยันด้วยเวลาจะทําใดๆก็ขยันไม่เกียจค้านเมื่อมีทุกข์มีความเจ็บป่วยเป็นต้นเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นผู้จัดการช่วยเหลือตามสมควรผลขวาช่วยเหลือนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในความเสื่อมมีความเสื่อมจากญาติเสื่อมจากสมบัติเป็นต้นก็ช่วยบรรเทาความโศกเป็นผู้ตั้งอยู่ในฐานที่จะช่วยเหลือได้ตลอดการเวลาด้วยและท่านจะขม่มคนที่ควรญขม่ม บางคนเนี่ยต้องขม่มท่านก็ขม่มโดยถูกทําเพื่อให้เขาพ้นจากอกุศลจะรู้ว่าเจ้านี้บาปบาปประกรรมเล่นงานก็ขม่มข่มเพื่อให้ออกจากบาปแล้วก็กลับมาอยู่ในกุศลเป็นผู้ตั้งอยู่ในกุศลน่ยนะยกย่องคนที่ควรยกย่องโดยการทํากรรมนะที่ทําได้ยากอย่างยิ่งกว้างขวางที่สุดมีอนุภาพเป็นอาจินตยญาณ น, นาประโยชน์สุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวฉะนั้นพระพโพธิสัตว์เนี่ย แต่ก่อนได้ประพฤติมาแล้วเนี่ยพธที่สมพัน์ของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นได้ถึงความแต่กล้าโดยชอบด้วยคุณธรรมใดสมมติว่าโอ้เนี่ยท่านฟังว่าเออคนที่บาเพ็ญบา ร, รมีมาเนี่ยเขาบาเพ็ญทานบา ร, รมีมาเนี่ยจึงได้คุณสมบัติอย่างนั้นบมเพ็ญศีลบา ร, รมีเนคขมาปัญญาวิรยิยคันติสาจาัจจะทิ่ฐานเมตตาเวขาบา ร, รมีมาเนี่ย เมื่อบางเป็นบารมีเหล่านี้แล้วเนี่ยจะได้คุณสมบัติที่มันบริบูรณ์จะเป็นปัจจัยต่อการได้มาซึ่งสัมมาสัมพิทาณโดยไม่ยากพบฟังพั๊บท่านตื่นเต้นมากเลยและท่านก็น้อมใจฟังแล้วต้องการจะเอาคุณเหล่านั้นมาใส่ไว้ในตนได้แล้วต้องการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพระบริษัทเนี่ยแม้เหล่านั้นก็เป็นเขาบอกว่าฟังถามบอกว่ามีความก้กล้า ม, มาก โดยชอบด้วยคุณธรรมใดฟังคุณธรรมเหล่านั้นแล้วก็ไม่หวาดสะดุงยกตัวอย่างโอโ้โหฟังต้องทํายากมากนะอะยกตัวอย่างเช่นต้องสละอะบุตรเป็นทานหฟังแล้วตื่นเต้นบางคนกลัวเลยนะมีโูกที่รักจะสละสละภระรยาอยาเงี้ยสละทาตบริวารที่เป็นที่รักเนี่ยสละราชบุตรสมบัติถ้ามีสมบัติสละราชสมบัติกล้าวไม่ล่อแลวฟังเนี้ย ถ้าเป็นพี่เจ้าเป็นนินก้าสละราชบัลลังก์เลยเป็นทานนอะว่าไงเธอออกบวชได้โดยไม่ยากเลยนี่สละบุตรสละภรรยาสละญาติมิตรทั้งหลายออกบวชโดยไม่ยากเลยโอ้นี่ฟังแล้วดูดูยากใช่ไหมท่านบอกโอ้ฟังตื่นเต้นสละวายวะโอ้ฟังแล้วตื่นเต้นควักดวงตาให้เป็นทานไม่กลัวเลยนะพอฟังปุ๊บเนี่ยบางคนกลัวเลยนะพอฟังแบบนี้ยบอกสละใบหูสละตาเนี่ยสละตับสละปอดเนี่ยสละไตเป็นทานเงนะ ฟังกลัวเลยบางคนนะเลือดนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่พูดถึงกลัวไหมมีหน่ากลัวเลยบางคนไปให้เลือดดีไปชักคาเตียเป็นลงชักงเงี้ยเงี้อกลัวแม้กระทั่งให้เลือดเป็นทานนี่ยเออให้ทานก็ยังกลัวอีกเนี่ยนเะนี่ยท่านฟังแล้วท่านเมสะดุง้งข้าพ่อที่สัตว์แม้เหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันท่านคิดอย่างงี้นะโอ้ ท่านเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ทําไมจะทําไม่ได้แล้วเอาควักตรงตายเป็นทานเอาเป็นมนุษย์หรือเปล่าเอาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ให้ศีรษบเป็นทานให้เนื้อเป็นทานให้เลือดเป็นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ําในมหาสมุทรโอ้ฟังแล้วตื่นเต้นให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินในชมพูทวีโอ้ฟังแล้วตื่นเต้นไงให้หัวใจเป็นทานตัดศีสายเป็นทานมากกว่าขุนเขานิสเดลโอ้โหเขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นอ๋อเราก็เป็นมนุษย์ทําไมเราจะทําไม่ได้ อย่าบางคนฟังแบบนี้ไม่ได้นะครับฟังแล้วอออืืไม่ไหวเลยไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาแล้วเป็นพระเจ้าขอขอเป้นทุกธรรมดาดีกว่าคิดอะไรแค่ น, นี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยพอใจมีถึงเก็บริสัทที่ไม่ได้เพราะคนที่มีอัธยาศัยใหญ่นี่ไม่ได้เลยฟังแล้วหิเราทำได้เราทําได้แล้วจะทำเนี่ยคิดอย่างนี้ยนะไม่ใช่เราทําได้เราจะทาจะต้องทําไม่ได้นั้นเวลานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจึงโอ้โห oh. ยอม เใช่ไหมล่ะเรายอมได้แบบนี้ยไม่ใช่ยอมแบบประเภทนั้นนะและเราจะฝึกฝึกตัวเราเองด้วยเนี่ยมีกําลังใจอย่างนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้ไหมฟังแล้วได้กําลังใจแบบนี้ ไ, ไหมได้ไม่ได้กลัให้เลยกลัวทำไมท่านเป็นมนุษย์ได้ปะเราเป็นมนุษย์ได้ปะกับคิดอย่างนี้<า>ท่านฟังอนุภาพยอดเยี่ยมอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้เราก็จะพึงปฏิบัติอย่างนั้นโดยชอบในศิษขามีศีล สีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาบิสิกขาเป็นต้นเราจะมีละความเพียรมีความเชื่อมั่นเป็นเบื้องหน้าโดยคิดว่าแม้เราก็จะบําเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ตามลําดับด้วยการปฏิบัติแล้วจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณโดยส่วนเดียวชื่อว่าเป็นผู้ทำความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายโดยชอบอย่างนี้เป็นต้นที่เกิดขึ้นเนี่ยพระบริษัทเนี่ยเป็นผู้มีปกติเนี่ยปิดความดีนะเปิดเผยโทษพอเห็นความดีเนี่ ย, ย, ท, ย, ยท่านจะปิดนะท่านไม่อยากบอกใครเราก็ตนเองมีความดียังไงยังไงไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบคีบคุย่างั้นนะบางคนไม่ได้นะชอบคุยชอบคุยตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนั้นพอทำดีนิดหน่อยก็อยากให้คนอื่นรู้เป็นไหมพอบริษาท่านจะปิดแต่จะเปิดเผยโทษจะบอกเลยตัวเองมีความชั่วยังไงไม่ดียังไงมัดน้อยสันโดดสงัดไม่ครุกครีทนต่อทุกข์ไม่หวาดสะดุ้งด้วยไม่ฟุ้งซ่านไม่เยอะยญิงไม่หวั่นไหวไม่ปากร้ายบางคนปากร้ายจริงจ แล้วก็ไม่แสหาเรื่องมีอินทรีย์สงบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่สงบใจก็สงบด้วยปราศจากมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเป็นต้นไม่ทำแล้วก็บริบูรณ์ด้วยอาจาระด้วยคือมีความประพฤติงามแล้วก็โคจาระโคจาระก็คือสถานที่และบุคคลที่ควรครบสถานที่ไหนควรไปบุคคลไหนควรไปครบก็จะไปหาบุคคลเหล่านั้นเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยก็คือว่า คือเห็นความชั่วแม้นิดหน่อยก็รู้สึกเหมือนทำกรรมหนักว่างั้นเถอะถ้าพูดอย่างพระก็เราก็คือว่าเห็นอาบัตทุกกดเท่ากับคุณเขาสินีรุกขนาดนั้นเลยเนะียเป็นขนาดนั้นเลยไม่กล้าทำบาปตั้งใจศึกษาในศิกษาบทปารบความเพียรมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยไม่คำนึงถึงกายและชีวิตไม่คานึง บันทาอุปกิเลสคือความเศร้าหมองมีความโกรธความผูกโกรธเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้ทุศีนทั้งปวงเวลากิเลสจะเกิดขึ้นก็ทําลายนะทำลายกิเลสเหล่านะั้นเป็นผู้ไม่ยินดีอยู่เฉพาะการบรรลุวิเศษมีประมาณน้อยก็ไม่ท้อใจพยายามเพื่อบรรลุทำวิเศษยิง่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่โอ้ได้แค่นี้พอใจไม่ใช่ใชแล้วฝึกยิ่งยิ่งขึ้นไปพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ประพฤติข้นขวายนะข้นขวายอะไร อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เนืองนิดแนะนําคนตาบอดเห็นคนตาบอดก็ไปช่วยเหลือเขาบอกทางให้ให้สัญญาณด้วยนิ้วหรือนิ้วมือเป็นต้นแก่คนหูหนวกก็เห็นไหมบางรายการเนี่ยก็ทํานิ้วมือเวลาคนหูหนวกเห็นไหมเห็นใจอนุเคราะห์ประโยชน์ให้คนใบ้เป็นก็เหมือนกันให้ได้ที่นั่งให้ยานพาหนะแก่คนพิการนําพาไปตอนเป็นคารวะจนทาบุญพวกนี้เยอะ คนไม่มีศรัทธาพยายามแนะนาไม่มีศรัทธาคนเกลียดค้านก็แนะนำให้มีความเพียรคนหลงลืมสติก็แนะนำไม่มีสติคนฟุ้งซ่านก็แนะนำไม่มีสมาธิคนไม่มีปัญญาก็แนะนำให้มีปัญญาคนบกมุนในกาลมาชันทะก็พยายามแนะนำให้บรรเทากาลมาชันทะคนบกมุ่นในพยาบาทก็แนะนำให้ออกจากพยาบาทคนบกมุ่นในถีนามิทะก็แนะนำให้มีความเพียร คนมีวิจิตริฉาโมหะเยอะก็แนะนําให้มีปัญญาพยายามแนะนําให้บรรเทาวิจิกิจฉาเนี่ยคนมากไปด้วยวิตกเช่นพวกบงคนมีกาวิตกคิดแต่เรื่องกาลมีพยาบาทวิตกคิดในเรื่องปยาบาดวิหิงหิงสายวิตกก็คิดเรื่องเบี่ยนเบียนก็ปัญญาบรรเทามีฉาวิตกมีกาวิตกเป็นต้นอาศัยความเป็นผู้รู้คุณที่ทําแล้วแก่ผู้ที่มีบุพบการีเป็นต้นจึงพูดขึ้นก่อนพูดที่น่ารักสมคบนับถือโดยโดยการตอบแทนเป็นต้นนี่วิธีการปฏิบัติต่อสหาย หรือเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาด้วยก็ให้พ้นจากอากุศลแล้วให้ตั้งอยู่ในกุศลคบกับใครก็แนะนําเขาอย่างนี้ไม่ใช่ไปตามเขาไปคบเพื่อนชั่วกับชั่วตามก็าไม่หรอแต่คบเพื่อนไม่ดีแนะนําฝึกเพื่อนให้เป็นคนดีอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ตั้งอยู่ในอาการอย่างอื่นเพราะการตามรักษาจิตของผู้อื่นของบริษัททั้งหลายก็เพียงเพื่อความเจริญอย่างยิ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ทะเลาะไม่ทําให้ถึงความเป็นผู้เก้อเขิน พรอัตยาศัยนั้นก็ก็ไม่ให้จิตเกิดความรังเกียจสัตว์อื่นทักท้วงในฐานะที่ควรข่มเมื่อเขาอยู่ตามกว่าก็ไม่ควรวางตนในสูงกว่าไม่ครบหาบุคคลผู้ไม่ควรคบหาไม่คบมากเกินไปไม่ควรคบพ้ำเพื่อแต่คบสัตว์ที่ควรคบตามสมควรกาลเทศะไม่ตีเตียนคนที่รักหรือสารเสริญคนที่ไม่รักต่อหน้าผู้อื่นไม่ถือวิสัยสัตว์กับคนที่ไม่คุ้นเคย ไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่เป็นธรรมะถ้าใครเชิญที่เป็นธรรมะนี่ไม่ปฏิเสธไม่แสดงตัวมากเกินไปไม่รับของมากเกินไปยินดีกับผู้ที่มีศรัทธาด้วยการกล่าวอนิสงส์ของศรัทธาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดถึงในเรื่องของการพิจารณาในศีลพอจะมองเห็นนี่ยังฉังนั้นพอพูดถึงในเรื่องศีลเนี่ยรายละเลอียดเป็นเยอะนี่คือข้อปฏิบัติ ที่เวลาท่านปฏิบตัติตรงนี้ก็จะมาเป็นหลักการในการที่ทำให้เราได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีทามเป็นต้นดูกแล้ววันนี้สมควรเกียวเวลา